ขอ oh, ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังพูดเรื่องประบติพระอนุ ร, ททรุทธะเถระก็ามาถึงช่วงที่ท่านเป็นนายอนนาภาระได้บำเพ็ญบุญกุศลแก่พระปัจเจ ก, กับพระพุทธเจ้าซึ่งออกจากมิโรธสมาบัติใหม่ แล้วก็ได้ให้ผลบุญจากการกระทํานี้แก่สุภณะเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้านายเศรษฐีก็ให้รางวัลเงินหนึ่งพันกหาปณะนะแล้วก็นำเฝ้าไปเจ้าแผ่นดินไปเจ้าแผ่นดินทรงโมูนาแสดงความชื่นชมแล้วพระราชทานเงินให้อีก 1,000 กะหาปะนะันนพร้อมกับมอบที่ดินแปลงหนึ่งให้ด้วยเพื่อสร้างบ้านในขณะที่กำลังแปวถางสถานที่เพื่อจะสร้างบ้านนั่นเองก็ได้มีที่ใส่ภาชนะทองคำห้ทองคำเนี่พุทธขึ้นมาเป็นจำนวนมากท่านก็ไปแจ้งให้ จะเป็นดินซับจะเป็นดินก็โปรดให้ไปขุดมาทั้งหมดแล้วก็สอบถามว่าในบ้านเมืองนี้ใครมีทองจำนวนขนาดนี้บ้างผู้เสนาข้าราชการทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่มีดอก็แสดงว่าท่านก็มีสมบัติมากจากนั้น ก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีในเวลาวันเดียวนะฮะคือเวลาวันเดียวเท่านั้นเองเมื่อท่านเป็นเศรษฐีแล้วก็ทำบุญกุศลเป็นอันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันสมัยนั้นเป็นสมัยที่ มีพระปัเจกพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เป็นเศรษฐีแล้วก็มันก็เห็นบุญเห็นกุศลที่ชัดเจนน่ะคือเห็นผลของการทำบุญที่ชัดเจนจะเท้าสหะที่มีอยู่ภายในใจและความศรัทธาเชื่อ ม, มั่นในเรื่องบุญกุศล ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแล้วก็สามารถจะให้ผลแก่คนที่ทำบุญทำบาปได้จริงท่านก็เลยบำเพ็ญกุศลตลอดชีวิตและจุติจากอัตภาพนั้นก็ไปบังเกิดในเทวโลกก็ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย จากสัตว์รก็ไม่รู้นะแล้วก็มาถึงสมัยพุทธกาลก็ได้มาเกิดเป็นลูกของอมิตตธนะซึ่งเป็นพระนุชาของพระเจ้าสุโทโธทนะก็เป็นลูกพี่น้องของพระพุทธเจ้าแต่นี้ตอนสมัยที่พระโพธิสัตว์พะสูตร แล้วก็รับการทํานายถ่ายถักจากพวกพราหมณ์ทั้งแปดคนว่าพระจุมาณจะมีคติเป็นสองคือถ้าอยู่ครองไหระวาดก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพติราชถ้าออกผนวดก็จะเป็นศาสดาเอกในโลกผู้ราชวงศ์ทั้งหลายก็ชื่นชมยิน ด, ดีก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพวกเขาก็จะเป็นข้าราชบริพานห้อมล้อม พระเจ้าจากักรพรรดิแต่ทาราชักรกุมารออกบวชก็จะบวชโดยเสด็จแต่ความคิดหลักที่จริงก็มุ่งที่จะเห็นพระจากกุมารเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินั่นเองเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของวัตถุนิยมสังคมบริโภคที่แรงหมายความว่าคนก็กำลังแสวงหาความสุขจากการเสพ บริโภคต่างๆที่ เ, เรียกในสมัยนั้นว่าการมาสุกันหรืิการนโยค์แต่ไงไก็ตามคือกษัตริย์สมัยนั้นเขารักษาสัจจะคือตกลงให้สัจจะอะไรไว้อย่างไรแก่ใครแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติแม้ตัวเองจะต้องเสียชีวิตก็ยอมดังนั้น ท่านก็เกิดมาด้วยบุญกุศลเป็นนั้นมากแล้วก็เป็นสุขุมารชาติมีบุญมากมีเหล่าสาวสารกำลังนายห้อมล้อมแบบเจ้าชายสิทธัตถานนั่นแหละก็อยู่ในประสาทสามหลังแบบเดียวกัน แล้วก็เหมาะสมแก่ระดูความสุขสมบัติของท่านท่านบอกว่าเขาบอกว่ามันเปรียบเหมือนกับอยู่สวงสวรรค์เพราะว่าในสมัยที่เป็นเศษีอันนาาราเนี่ยท่านได้เคยอธิษฐานเอาไว้ว่า mm. เกิดพบหนึ่ง mm. พบใดก็ตามจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยขออย่าให้ท่านได้ยินคำว่าไม่มี ตลอดตลอดพบรสชาตินะหมายความว่าจนจนบรรลุอรหรัตเป็นพระหันไปนแสดงว่าแรงอธิษฐานนี่มีความโน้มเอียงไปในทางที่ใครจะบวชอยู่แต่พอดีเป็นยุคของพระประเิกระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นยุคของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อจเจริญเติบโตก็มา จะเรินเโติบโตมาแบบก็แบบเดียวจะหาสิทธะนะปูดง่ายๆอย่างนั้นแล้วเขาเล่า ว, ว่าคราวหนึ่งพระราชกุมารเขาไปเล่นอะไรกันนะก็มีาพัทธิยะอนุรุทธะรู้สึสกจะกินพิละน ก็เล่นการพนันขนมกันใครหนะก็ต้องเอาขนมมาเลี้ยงกันปรากฏว่าอนุรุธะเนี่แพตลอดเลยก็ต้องไปขอขนมจากวังตลอดพอถึงจุดหนึ่งนขนมไม่ได้เตรียมมาไว้นี่นะมันก็หมด แม่ก็ส่งคนไปบอกว่าขนมไม่มีท่านก็นึกว่าไอ้คาว่าไม่มีน่ะเป็นชื่อทันขนมเลยก็บอกว่าเอาขนมที่ชื่อว่าไม่มีนั่นแหละออกมาแม่ก็บอกว่าเออลูกเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีไม่เข้าใจความหมายของคาว่าไม่มีท่านก็ล้างถาดเช็ดถาดอย่างดี อธิษฐานว่าถ้าลูกเรามีบุญมันก็ต้องมีขนมพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็ป้าขาวคลุมถาดเอาไว้แต่ในถาดไม่มีอะไรนะมีแต่ถาดที่ล้างและสะอาดเท่ า, านั้นเองทีนี้เทวดาที่เคยรู้เห็นการทำความดีของท่านเปล่นเจ็นนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่า จะ่ปล่อยให้อนุรุธะไปเห็นคำว่าไม่มีก็คือไม่มีอะไรเนี่ยไม่ได้ดังนั้นก็บรรดาในะเกิดขนมทิพย์เต็มถาดเลยพอไปถึงก็เปิดขึ้นมาปรากฏว่าขนมมันหอมตลบไปหมดเลยปราจกุมารก็เสวยกันจนก็อิ่มแปกกันไปด้วยกัน อนุรัตมาถึงวังก็ไปต่อว่าพระราชมารดาว่าแม่เมื่อก่อนเนี่ยแสดงว่าแม่ไม่รักลูกแม่ก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถามอย่างนั้นแต่ก็ล่าถึงความรักที่มีต่อลูกเนี่ยมันสุดจิตสุดใจทีเดียวแต่ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมแม่จึงไม่ทำขนมไม่มีให้ลูกได้กิน พระมาณดาก็เกิดสงสัยเอกขนมอะไรก็เรียกคนชายมาสอบถามคนชายก็เล่าอหกฟังไม่ทราบขนมอะไรอะ่ะแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาถึงนี่มันกลิ่นหอมตลบไปหมดแล้วคนชายเขาก็ได้รับส่วนแบ่งด้วยได้กินด้วยบอกว่าอร่อยจนไม่มีขนมอะไรที่เคยกินเทียบเคียงได้ท่านก็ยึนคำขาดเลย ว่าต่อไปนี่ให้แม่ทําขนมอย่างเดียวคือขนมไม่มีอย่างอื่นลูกไม่กินหรอกเพราะนัพอลูกต้องการจ ะ, สะเสวยขนมไม่มีแม่ก็ล้างถาดอย่างดีเช็ดถาดอย่างดีเอาผ้าขาวคลุมแล้วก็ให้คาราชบริพานนาไปให้เทวดาก็นิรภัยขนมที่เป็นทิพย์ก็ต้องรลงว่าจะเริญเติบโตมาด้วยขนมที่เป็นทิพย์จนโตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ย แล้วความที่มันละเอียดอ่อนน่ะเป็นสุขุมารชาติคือเป็นชาติที่ละเอียดอ่อนมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยพ่อแม่ธนุธนอมอย่างแก้วตาดวงใจคราวหนึ่งเนี่เขาคุยกันว่าข้าวนี่มันมาจากไหนพระเจ้กมารองค์หนึ่งบอกว่ามาจากยุงฉาง คนหนึ่งบอกว่ามาจากจากมอข้าวภาชนาตีหุงข้าวอนุรุทธ์บอกไม่ใช่มันมาจากถาดทองคําเพราะท่านเคยเห็นข้าวตอนที่พระชนนีตักให้เสเวยเท่า น, นั้นเองแล้วเราเสเวยที่ถาดทองคำํำผลเลยไม่รู้ว่าที่มาก่อนมันคืออะไรท่านก็นึกว่ามันมาจากถาดทองคํานั่นแหละ ก็เรีย ก, กว่าเรียกดูกันละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะเราก็เห็นสังคมที่มีการปลนเปลือปนปลือกันในลักษณะที่เรียกว่ายุ่งไม่ให้ตายไรแม่ตอมมันก็มีอยู่ในสังคมที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยทโนถนอมลูกรุดแก้าตาดวงใจ แล้วพวกนี้อย่าลืมนะฮะเปราะบางการะทบกระทั่งอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้ใครทําอะไรให้ไม่พอใจนิดๆหน่นนนอยๆไม่ได้เพราะว่าเธอรับมาด้านเดียวเธอรับมาเฉลียฉพาะด้านที่ว่าต้องการอะไรก็ได้ตามที่ต้องการพ่อแม่ก็ทุนหัวทุนกล้าวให้ตลอดโอกาสที่จะเสียผู้เสียคนเนี่ยมีได้ง่ายเหมือนกันแล้วการเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงให้เป็นลูก ต้องมีการอ บ, อบรมสั่งสอนชี้แนะฝึกปรือต่างๆให้รู้ให้เข้าใจก็เมื่อพระพุทธเจ้าสัต์รู้แล้วเจ้าชายทั้งหลายก็บวชกันเยอะแล้วแต่ว่ายังมีราชกุมารเจ็ดองค์แปดองค์จะบาะชุดนั้นนะฮะชุดอื่นก็ยังมีอีกมาก ก็ยังไม่ได้บวชทีนี้เจ้าชายมหานามมหานามะเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์หรอกก็บอกกับ น, น้องชายบอกว่าสระกูลอื่นเขาบวชกันมากแล้วนะตระกูลเราก็มีอยู่สองคนน้องกับพี่นี่ต้องบวชคนหนึ่งน้องจะบวชหรือว่าพี่จะบวช อนุรุษอาศัยที่เป็นคนละเอียดอ่อนอย่างนี้พราแม่ทนุถนอมอย่างแก้วตาดวงใจอย่างนี้ทำให้ไม่รู้เรื่องโลกไม่เรียนรู้โลกภายนอกไม่เข้าใจโลกตามความเป็นจริงมันก็เทียบเคียงกับเจ้าชายสิทธัตถะคือเราเห็นว่าเจ้าชายสิทธัตะนั้นพระบารมีท่านสูงท่านแก่กล้า พอแม่จะเหนียวรังเอาไว้ในวังปนปลือด้วยวิธีการต่างๆอะไรก็ตามท่านก็อยากจะดูโลกอะ่ะอยากเห็นโลกแต่มันกว้างออกไปไม่ใช่เห็นคนซ้ำหน้ากันอยู่ทุกวันจนพระเจ้าสุทโธทนาต้องยอมในครั้งแรกนี่เตรียมพระนคอรออย่างดีคนแก่คนเจราคนป่วยขอทานอะไรๆๆเก็บไปหมด บนเส้นทางแล้วก็คุมที่ทางเสด็จแต่ราชกุมารก็เฉลียวฉลาดเพราะว่าในความเตรียมพร้อมของทางบ้านเมืองนั่นเองแต่ปราสาทกับกระต๊อบเนี่ยมันย้ายหนีไม่ได้มันก็ยังอยู่คนแก่มีไม่มากอาจจะพาหลบไปได้คนเจ็บมีไม่มากก็พาหลบไปได้ ขอทานอะไรก็พาลงไปได้แต่ความยากร้ายของประชาชนความแตกต่างในเครื่องนุ่งเครื่องหงมการแต่งเนื้อแต่งตัวผิวพรรณรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยคือยังไงมันก็ไปปกปิดไว้ไม่ได้เจ้าชายก็เห็นก็เริ่มสุกคิดเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนให้มันกว้างขวาง ม, ม, มากยิ่งขึ้น ในที่สุดก็ขอเสด็จโดยลําพังพระองค์เองโดยทางข้างนอกไม่รู้เรื่องแลีวไปกันนายชนะเท่าทนั้นองก็เดินแบบชาวบ้านทั่วไปก็แต่งตัวก็เป็นแบบสามัญชนทั่วไปในสุดพระองค์ก็ได้เห็นความจริงแล้วก็เป็นแรงผลักดันกระตุ้นเตือนในคิดคิดต่อไปเรื่อยๆจนได้เสิรนนิถันต์หด แต่ว่าอนุรุธะยังไม่ไปถึงนั้นคือยังไม่ได้รวนขวนขวายที่จะรู้โลกตามความเป็นจริงยังเพลินอยู่ในสุขสมบัติที่ปรุงแต่งกันเป็นอย่างดีในวังแต่ข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าการใช้ชีวิตในรักลักษณะนี้คือรายจ่ายนี่ดูแล้วมันสูงมาก ตัญหาสําคัญว่าอาชีพในสมัยนั้นคืออาชีพอะไรท่นบอกว่าก็อาชีพทางเนี้ยทางการทํานานี่แหละโอธนะก็แปลว่าข้าวอ่ะสุโททนะก็แปลว่าข้าวสุขข้าวขาวสุโกโธนะก็แปลว่าข้าวสุขก็ แ, แสดงว่าเป็นชื่อข้าวทั้งนั้น มันก็อมองไว้ว่าไอนาขนาดนี้ที่จะนำมาปล้นปลือคนได้เนี่ยต้องจำนวนมหาศาลมากพื้นที่ที่แต่ละคนถือครองนั้นจะต้องเยอะราชวงศ์สากยะไม่ใช่ราชวงศ์เล็กๆนะฮะลย่ยงเศรษฐีมหาศาลอะไรแต่อะไ ร, ต, ไรต่างๆอีกเป็นจำนวนมากภายในกรุงกบิลพัฒน์และนอกกรุงกบิลพัฒน์ มันก็ทําให้เรามองภาพของภูมิศาสตร์ของสังคมของเศรษฐกิจของการเมืองของอะไรต่ออะไรอีกได้เยอะเลยมันซ่อนอยู่ในเนี้ยไอ้สิ่งที่ปรากฏมันเป็นผลเป็นผลของฐานะทางเศรษฐกิจทีนี้ไอ้สถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยมาจากการงานไอ้การงานเนี่ยมันก็ทําให้นําไปสู่ปริมาณของงาน ปริมาณของงานแล้วกรอบขอบขายของงานการทํามาค้าขายว่าเออผิดค่ามามากๆขายที่ไหนมันก็ต้องนึกถึงการทํามาค้าขายเลยภาพจึงอีกภาพเดิมมันก็ปรากฏปรากฏอีกเยอะเลยนะฮะจากข้อความอย่างเนี้เราจะเห็นว่ามันจะปรากฏอีกเยอะด้วยคําคําเดียวในหลักการที่เรียกว่าข้อเท็จจริงใน ด้านประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์คำเดียวจะบอกอะไรมากมายก่ายกองแต่แน่นอนมันก็เป็นข้อสันนิษฐาแต่ก็เทียบเคียงกับเรื่องดืนอเรื่องดืนอต่างๆที่เราศึกษาที่ตามมาเนี่ยเคยพบในสุตตนิบาตอังคุตรนิกายกุตตะนิกายนะ มันมีการทำนาที่เป็นแสนแสนไร่แล้วมีโครประเภทที่เรียกว่าอสพะหรือวิศภะเนี่ยมันมีบริวารเป็นจากฝูงของโคแสนตัวฝูงโคก็มีแสนมีหมื่นมีพันมีร้อยนะฮะแล้วก็เรียกชื่อก็ต่างกัน เวลาไถนาเนี่ไถนาวันหนึ่งเนี่ยมีไถพันคู่บางนาเนี่ยไถสองพันคู่ภาคเช้าพันคู่ภาคบ่ายพันคู่เปลี่ยนเฉพาะโคกับคนไถไม่ต้องเปลี่ยนนี่ก็แสดงว่าไถนาวันหนึ่งขนาดนั้นนี่จํานวนมหา ศ, าศาลมากมากเราก็เห็นเป็นกระบวนการว่า สังคมยุคโบราณเมื่อก็คิดว่าสามพันกว่าปีมาแล้วนะคือถ้าเราพูดกับนักโบราณคดีมันคล้ายๆจะไปอีกเรื่องหนึ่งประวัติศาสตร์ก็จะไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะพวกนี้อาศัยข้อมูลในเชิงวัตถุแต่เราก็มองข้อมูลจากวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆาเอเา ก, ก็สอดคล้องกันนะ แต่เสร็จแล้วเป็นเรื่องที่เราเกิดไม่ทันท้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาคิดมาวิเคราะห์นะมาคิดวิเคราะห์กันแล้วก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศได้โดยอาศัยข้อความสั้นๆเพียงไม่กี่บรรทัดนะฮะโดยคิดขยายไป แล้วก็มีการถกเถียงมีการอภิปรายให้ตกผลึกแล้วก็สร้างแปลงทดลองขึ้นมาก็จะทำอะไรได้เยอะนะฮะเพราะว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดแต่รายจ่ายเขาพูดแต่ความปิดอยู่เขาพูดเฉพาะปัจจุบันแต่กขาไมนได้กอทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นมันมาจากอดีตถ้าไม่มีอดีตอยู่เนี่ย ปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ตังนั้นเจ้าชายมหานามะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน้องก็ต้องเรียนหลักการในการครองเรือนอนุษทธาก็สงสัยเอ๋อะไรจะมีเรื่องต้องเรียนอีกล่ะท่านก็บอกต้องเรียนการครองเรือนไม่ใช่อย่างที่น้องคิด าการก็ยกประเด็นก็การทํานาอธิบายกระบวนการทํานามุนเวียนเป็นปีๆไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ซ้ํำซากนะฮะเราใจว่าการทํานานี่ก็ซ้ําซากจะจายนุชก็ตกใจบอกเอถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อไร่จะจบล่ะพี่ชายก็บอกว่าไม่จบหรอกมันต้องตายก่อนอ่ะก็โจบที่ตายอ่ะแต่คนรุ่นใหม่ก็ทําต่อกันไป อนรุบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่บวชหรอกพี่บวชแล้วกันแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นผมไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราจะบวชเราพี่อยู่ครองเรือนกันแล้วกันก็ไปกราบภูลาพระเจ้มารดาพระเจ้ามารดาไม่ยอมอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอม บอกไม่ได้มันเป็นเรื่องของสัตย์จะปฏิญาณที่สกุลเราครอบครัวเราได้ให้ไว้ตั้งแต่เจ้าชาติธัตถะเขาประสูติเวลานี้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเราปฏิบติต้องปฏิบัติให้ได้ตอนนั้นพระเจ้าพัฒยาในครองกรุงก บ, บิลละพัทอยู่คือถ้าไม่เราเทียบเคียงการเวลาว่าถ้าพระเจ้าพัฒยาปกครองกรุงก บ, บิลละพัท พระเจ้าฏิญานั้นเป็นราชโอรสของพระนางกาลิโคธาสวามีโซปนามมานยังไงนี่ไม่ได้บอกก็หมายความมาตอนนั้นพระเจ้าสุโธธนะก็ต้องนิพพานไปแล้วเพราะว่าในสมัยของพระพุทธเจ้านี่สี่สกกิบ้าปีกษัตริย์ครองกบิลพัทปีสามองค์คือพระเจ้าสุโธธนะแล้วก็บรรุพมกผลก็นิพพานไป ต่อมาพระเจ้าพัทยาพระเจ้าพัทยะก็ปกครองไม่นานหรอกอนาลุธก็ไปบีคอเอาคืออาศัยพระนางกาลิโคทาบอกว่าถ้าลูกจะบวชเนี่ยหากพัทยาก็บวช ด, ด้วยแม่จะยอมแต่ถ้าพัทยะไม่บวชเนี่ยลูกก็บวชไม่ได้อนาลุธก็เจ้าชายอนาลุธก็ไปหา กษัตริย์พัตยยาบอกว่าเพื่อนการบวชของเรานี่ยเกี่ยวเนื่องกับท่านพัตยยาบอกไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวไม่ได้ก็ เ, เล่าให้ฟังว่าแม่เขาว่ามาอย่างนี้พัตยยารักเพื่อนก็รักเพื่อนนะแล้วก็ความโน้มเอียงไปในะทางบวชก็มีมาก แว่าปัญหาเรื่องบ้านเมืองก็เป็นปัญหาที่จะต้องดูแลใจใส่เพราะว่าเป็นเรื่องสารทุกสุขดิบของนาประชาราษฎรจํำนวนมากก็บอก อ, อย่างนี้ก็แล้วการขอเวลาเจ็ดปีเจปีข้างหน้านี่ค่อยบวชพร้อมกันอนุท่าบอกไม่เอาวว่าเจ็ดปีนานไปต่อรองมาเรื่อยนะฮะต่อรองมาเรื่อยเดี๋ยวยังเหลือเจ็ดวัน เจ็ดวันนะก็เตรียมตัวได้อนุทักษ์ก็ยอมในสุราชกุมาลคราวนั้นก็ออกบวชทั้งหมดก็เจคนก็คือภัติยะเจ้าพัติยะเจ้าชายนุรุธเจ้าชายอานนท์เจ้าชายพระคุเจ้าชายกิมพิละเจะ้าชายเทวทัตนะเป็นหแล้วก็เจทั้งอุบาลีอุบาลีเป็นภูสามาลา ก็ไม่ได้ตั้งใจจะบวชหรอกแต่ว่าไปตามส่งสเสด็จเจ้าชายพอตามส่งแล้วมันก็เจ้าชายท่านก็มอบเครื่องประดับราชภูสีตาพรทั้งหลายที่ประดับแบบขัตยักุมารไปเนี่ยก็มอบให้เกอุบาลีทั้งหมดอุบาลีรับตอนแรกก็รับ รับแล้วก็เดินคิดมาว่าเออราชกุมารยอมสละราชสมบัติขนาดนี้ออกบวชแล้วเราเป็นใครอ่ะเราเป็นแค่ในช่างกลรระบบเท่า น, นั้นเองแล้วการที่เราขนเครื่องประดับของราชกุมารทั้งหกพระองค์ไปเนี่ยแล้วทศกัณยะไปกล่าวหาว่าเราลวงราชกุมารไปฆ่าแยกราชสมบัติะจะว่าอย่างไง ตกะก aya เขาก็ดุซะด้วยสิเลยไม่เอาอะแขวนเครื่องประดับไปที่ต้นไม้ประกาศว่าใครต้องการจะเอาก็เอาไปเราไม่ต้องการนะก็ตามไปขอบวช ด, ด้วยพระเทมารเหล่านั้นต้องการจะลดทิฐิมานะของตัวเองก็เห็นลูกน้องมาขอบวชก็เลยลูกน้องก็บวชก่อนลูกพี่ก็บวชทีหลัง แล้วก็กลายเป็นพันษาน้อยกว่าก็แสดงความเคารพนับถือกราบไหวต่ออุบาลีซึ่งเป็นลูกน้องมากับก็เป็นวิธีสลายขัติยมานะของราชกุมารเหล่านั้นทีนี้กวัยเทวทัตกับราชกุมารเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านเหล่านี้เดิน พ, พระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่อนุปยะอัมภวันอนุปยะอัมพวันนั้นอยู่ที่มัลราชนบทนะครับก็ห่างกันพอสมควรทีเดียวกับกรุงก บ, บิลพัทราชสักยะเหล่านั้นพระเจ้า ออกพระเจ้าสุโธทนาอย่างอยู่นะฮะในเรื่องเนี่ยบอกพระเจ้าสุโธทนาอย่างอยู่ก็ให้เกิดอุตสาหะแล้วทรงเป็นไปเพื่อเป็นบริวารของพระาศาสดาออกบวชในสำนักของพระาศาสดาสําหรับอนุรุตนั้นพรรษาแรกนั่นเองก็ไปเจริญบําเพิมเพียร ตัอย่างที่ประจักษ์สูให้เกิดขึ้นก็หมายความหมายที่ประจักษ์สูดนั้นเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระ ก, ก็ได้นะหมายความระดับโลกิยะปัญญาหาประการเนี่ยมันก็มีที่ประจักษ์สูดอยู่แต่ว่าจากการพบในพระสูตรอื่นปรากฏว่าท่านเคยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านบริกรรมเพื่อที่ประจักษ์สูดเนี่ย ต้องการจะเห็นเทวดาบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นแล้วก็เห็นไม่ชัดจนจนุดหนึ่งก็เห็นชัดขึ้นแต่ว่าไม่ได้พูดคุยด้วยจนถึงจุดหนึ่งก็ได้พูดคุยได้จนถึงท่านชายที่ไปจักสุไปดูสัสตว์ที่มันเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกันอยู่เ น, น, น, น, นี่ยตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดอย่างเนี้ย ท่านบอกมันดูไม่ทันนันตายเกิดเร็วกันเหลือเกินปุจจารก็เตือนให้สติว่าไม่ใช่วิสัยของเธอเหรอกที่จะไปรู้ละเอียดขนาดนั้นมันระดับพุทธญาณแล้วเราก็ทำเฉพาะในเรื่องที่เป็นวิสัยของตัวเองก็ ท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระสารีบุตรแล้วก็ไปที่ปาจีนวังสะทายวันบบำเพ็ญสมณธรรมแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะก็จดถึงหมาห า, าปุริสละลักษณะวิตกคือการดึกนึกของหมาบุรุษเนี่ย มันมี8ปดมันมี8ประการแต่ท่านโกระลึกได้แค่เจประการเท่านั้นไม่สามารถที่จะรู้ประการที่8ดได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเรื่องราวของท่านก็จัดบอกมหาปุริสะวิตกข้อที่8ปึ่งทรงสแสดงมหาอาริยะวงศสัปฏิปาัา มารีบงษสาปฏิปทานี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใครตัวเรานะแต่แหมมันเรื่องใหญ่มากคือความสันโดดในปัจจัยกเรื่องเครื่องนุ่งคมเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยากแก้ไขก็อย่างที่พระได้บอกอนุาสาแก่ผู้ที่บวชใหม่ แต่ก็จริงปฏิบัติยากทุกข้อนะฮะเรื่องอาหารอย่างนี้ว่าทำยังไงว่าให้ยินดีตามีีตามได้ไม่ติดใจในรสชาติของอาหารจะยากกลางละเอียดประณีตอะไรก็อยากก็ตามอย่างอัตภาพไปเป็นไปแล้วก็อยู่ให้ได้จิตใจไม่หวั่นไหวนะเพราะอาหารดีหรือไม่ดีเลวหรือไม่เลวมากหรือน้อยอะไรต่าไหนเนี่ยทาไม่ได้เรื่องใหญ่ คก่้ๆก็เรื่องเล็กแล้วเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าอุปกรณ์ในการเจริญกรรมาฐานเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเราและพวพูดง่ายๆว่าอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่าเรายึดติดในอัตตาตัวตนเรามากเรามีตัณหาเรามีมานะเรามีทิฏฐิอะไรอยู่แม้ก็ทำอย่างเอาดีไม่ได้ แม้บางครั้งบางคราวท่าทางจะเป็นท่าทางจะได้แต่ว่าในจิตใจจริงๆกิเลสมันไม่สงบมันไม่ดับไปจริงๆมันมีแต่บรรเทาแล้วก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราไปเห็นที่จิตมันสงบเพราะว่าขาดแรงกระแทก ไม่มีแรงกระแทกเราก็นึกว่าเราได้บรรลุแล้วได้สมาธิแล้วได้ฌานแล้วได้พิญญาแล้วได้กรรมฐานแล้วอันนี้เยอะเลยก็เรียกว่าจิมานะคือหลงถ้าจะผิดว่าเราได้เรามีโดเป็นตามที่เราคิดนะ่ะคือมันใช้สัมผัสตรงของตัวเองอันนี้เป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งว่าในการปฏิบัติจะปฏิบัติโดยใครก็ตามนะฮะ สิ่งที่เราเห็นอยากคิดว่ามันจริงเพราะถ้าเราเห็นสมมติว่าเราเห็นอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับใจมันเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งเรานั้นเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่การเห็นอย่างนั้นมันเป็นอาการของปัญญาที่พิจารณาเห็น แต่อย่าลืมว่าปัญญาเกิดแล้วอะไรดักิเลสอย่างน้อยต้องสงบนะฮะมาความกิเลสสงบจันหาดูสงบไหมมานะสงบไหมทิฏฐิสงบไหมโลภะราคะโทสะโมหะเป็นยังไงถ้าสงบความรู้สึกท่าทีต่อพระพุทธเจ้าพระทับประสงค์ไรสีขาขเราเป็นยังไง แล้วปัญญาเป็นยังไงทีงนี้ถ้าสงบจริงมันต้องบริสุทธิ์จากนิวรณนภายในโครงสร้างในการวินิจฉัยตัดสินมันก็ต้องมองในสี่เรื่องในสี่ด้านนะฮะหมายความว่ามันปรากฏร่วมกันในสี่ด้านเดี๋ยวติยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าเราเปิดสวิตไฟปั๊บเนี่ยเปิดสวิตไฟหนึ่งนะฮะ แสงสว่างเกิด2ความมืดหายไป3 ส, สิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในอยู่ในที่มืดก่อนน่ที่เราไม่เห็นเนี่ยจะปรากฏตามความเป็นจริงนั้นแสดงอะไรแสดงว่าแสงสว่างจริงแสงสว่างเกิดจริงแต่ถ้าเปิดไฟแล้วไม่เห็นอะไรเลยก็แสดงว่าไฟเสียด ปรเมือก็ยังอยู่อา้าวของทั้งหลายก็ยังไม่เห็นก็หมายความไฟเสียไฟเสียไฟชอ็อตก็ใช้ไม่ได้ทีนี้ตามปกติแล้วที่เราพูดถึงว่ากรรมฐานที่โกรธสันโดษขี้ขอนมายความพอสันโดษเราคิดว่าเราเป็นสันโดษแต่เราเป็นโลภอะโลภมันไม่ใช่ลักษณะสันโดษ สันโดษกับโลภมันอยู่คนละด้านกันสันโดษมันเป็นมักกะสัตแต่ว่าความโลภเนี่ยเป็นสมุทัยสาตรคนละทางกันเลยเป็นปฏิปัก ษ, ษ, ษ์กระทขัดขวางกันหมายความใจสันโดษมากเท่าไหร่นี่โลภตรงโลภต้องลด ต, ตามลงไปเท่านั้นแล้วปัญญาเองก็ต้องเพิ่มขึ้นเท่านั้น กวานศรัทธาเริ่มใสไหนพระพุทธเจ้าก็ต้องสูงขึ้นพระพุทธเจ้าพระทานประสงคใสสิขาจะต้องสูงขึ้นบางทีเราก็ลงทางสานักกรรมฐานขนาดใหญ่เรืรอยไม่หยุดเลยแล้วก็พูดเองด้วยนะฮะพระพูดเองด้วยนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้ากรรมฐานท่านมีจริงเนี่ยท่านไม่ได้อะไรอ่ะ แต่การได้ไรเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับการมีอยู่ของจิตที่สงบพอตัวสงบเนี่ยเอากาคตาเนี่ยมันไปสยบที่ตัวกรรมชาติกรรมชาตินัน่นคือโลวพะอ้ะาวหลวพะก็มีความสงบก็มีมันมีได้ยังไงอะความสงบมันเป็นอาการของนิโรธกรรมฐานเป็นอาการของมรร แต่ความโลภเป็นอาการของสมุทยัยอ้าวคนเราฟากกันอีกอะตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่ค่อยได้พูดคุยไม่ค่อยได้ตั้งข้อสังเกตจริงๆมันก็เป็นหลักการธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราไม่สรุปใจเองเขาเรียกโสตปฏิยังคะคือคุณสมบัติของประสบัาเนี่ย ในด้านศรัทธาท่านเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในไตรสิกขาในด้านกปัญญาท่านมีทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นไม่มีความเห็นที่ออกจากทรนองครองธรรมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยท่านดับสังโยชน์คือกิเลสได้สามข้อ แล้วก็ศีลท่านสมบูรณ์สมาธิท่านพอประมาณปัญญาพอประมาณมันต้องมีครบทั้งสี่ถ้ากาดเป็นสักอย่างก็แสดงว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่สุดัตบัตมันต้องเห็นสี่ด้านตลอดแม้แต่รับประทานอาหารท่านฝั่งลองสังเกตรเรารับประทานอาหารเนี่ยนะ รับประทานอาหารก็คืออาหารก็สิ้นเปลืองไปอหมดไปเรื่อยๆความอิ่มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุให้หิวก็ลดลงเรื่อยๆแล้วก็การเสียดแทงองความหิวก็ลดลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราบอกว่าอิ่มแล้วเราเจ็นว่าเหตุให้หิวกับความอิ่มมันไม่มีในขนาดนั้น คามอิมมันก็ยึดครองร่างกายอยู่แต่ว่าเรื่องอาหารมันเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างให้ดูนะว่าต้องเห็นสี่อย่างอย่างเงี้ยกินข้าวอิ่มแล้วแต่ว่าข้าวยังเต็มจานอยู่เลยเขาแสดงไม่ได้กินนะไม่ได้กินกระบวนการสามอย่างมันก็ไม่เกิดมันเกิดคิดไม่ได้ที่เรื่องมาเรื่องมันนอกวิสัยเกินวิสัยที่เราจะไปคิดไปรู้ แปลว่าในที่สุดพระนรุทั้งก็ปฏิบัติได้นะฮะปฏิบัติได้ส่วนจะลึกซึ้งขนาดไหนอย่าลืมว่าพวกนี้พวกอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยต่อไปก็เป็นกรรมฐานนะแล้วเขาก็เป็นรูปธรรมมันก็ต้องดูในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาอาหารเนี่ยยังเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรง แสดงสั่งสอนแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะคนที่บวชเป็นพระอย่างปัญหาเศรษฐกิจที่เรามีอยู่ในปัจจุบันคือปัญหาการบ่นเรื่องรายได้ไม่พอจ่ายเนี่ยโอ้ยั้งช่วนาตาปีแล้วเมื่อไรก็ก็บ่นกันยางนง้นน่ย เราตามประความความปกติความรู้สึกของเรานี่เราจะเห็นว่ามันมีพวกหนึ่งคืออยากจะจนได้เท่าไรก็รู้สึกว่าไม่พออยู่นั่นแะ่ะถมไม่รู้จักเต็มแล้วก็เดือดร้อนเพราะความอยากก็ป่วยตักตวงกันสารพัดทำชั่วทำผิดกันสารพัด ยึดป่ายึดแม่น้ำยึดภูเขายึดอะไรกันอุตรุษไปอดเลยแล้วผลสุดท้ายพอตายเนี่ยกระดูกมันเหลือกอบเดียวแต่นั้นเอ ง, เองแต่คนก็ไม่ได้คิดอ่ะอังกัณ น, นก็แสดงให้เห็นว่ากระแสของกิเลสเวลามันเกิดขึ้นภายในใจเราบาทีเราก็รู้ไม่ทันมัน แล้วก็มักจะสนองจะสนองตอบกิริยใช้กิเลสเราน่ยดังนั้นในแนวของเรียกว่าอริยวงพวกนี้เรียกว่าอริยวงนะฮะวงของพระอริยะหมายความมาต้องสันโดษคือยินดีตามมีตามได้แล้วก็ตามสมควรแต่ตอนได้มาเท่าไหร่เนี่ยถ้าได้มาในทางที่ถูกต้องไม่แปลกอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสมัยนี้เนี่ยแม่โดนเรียดไร่พลาดไร่ิปเยอะมากแต่คือบางทีเนี่ยจนถึงก็ต้องให้เด็กไปซื้อให้ทีเดียวมันไม่มีแต่ว่าเป็นการสงเคราะห์นุเคราะห์ซึ่งกันรายการเขาอุตสาหมาเนี่ยเขาต้องได้เราไม่มีก็ต้องบอกใครกขรอไปก่อนแล้วก็กระซิบเด็กให้ช่วยไปหาให้หรือว่าโทรศพัพท์ไปร้านมาส่งให้ ตอนรับไม่แปลกเพราะเราไม่ได้รับเพื่อเรานะะเรารับเพื่ออนุเคราะห์ผลิตแต่ว่าเมื่อได้มาถือครองเนี่ยเราใช้สอยเท่าที่จําเป็นเยวาเนอาจจะกองพัตอาเราอาจจะกอ ง, าอาจจกองไปร้อยๆก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรเลยนะฮะเวลาเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยมันนิดเดียวอรอยเนี่ย ต้องหาเพิ่มเติมอีกเยอะจึงจะไปช่วยในวัดที่ถูกน้ำท่วมได้ถูกว่าตาัยถูกอูทกกัไพรถูกประสบปัญหาต่างๆนี่มันมีเยอะพราะก็ได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีตามที่ได้แต่ไม่ยินดีเพราะว่ายินดีที่ได้ฉลองศรัทธาของผู้บริจาค แต่ไม่ใช่ยินดีเพื่อจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองพอใช้ก็ใช้พอสมคูร น, นะจริงๆถ้าไม่มีกฎเกณฑ์อย่างอื่นเนี่ยพระเราในจีวรสองสองผืนสบงสองผืนอังสะสองผืนเนี่ยก็พอสบายแล้วก็ซักชุดหนึ่งก็ใช้ชุดหนึ่งก็เปลี่ยนกันใช้กันซักขาดแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ สบายนะฮะกับวงบอเราก็ไม่มีเสียเวลาไปยุ่งเรื่องเครื่องชายไม้ซอยเหล่านั้นมากเกินไปวันาะฉนั้นยังถือว่าเป็นอริยวงคือวงของพระอริยะเส้นทางของพระยะเดินอย่างนี้แต่อย่าไปคิดว่าเดินได้เฉพาะพราดนะฮะญาติโยมเองก็อยู่ในปัจจียนสีใครๆก็อยู่ในปัจเจียนีแต่เราก็มีปัญหาในปัจเจียน เพราะว่าไม่สามารถจะปรับจิตตัวเองให้อยู่ในกระแสของวงพระอริยได้ถ้ายังแก้ไม่ได้ปัญหาก็ต้องมีอยู่ร่ำไปต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี